วันไหนคนภาวนาเก่งๆเยอะมันสว่างไหนคนภาวนาไม่เป็ดเยอะๆก็มืดหน่อยจิตมันมีแสงนะจิตจิตมันมีรัศมีเวลาพวกเทวดาพวกอะไรพวกนี้เขาเจอกัอนนะเขาแยกเกรดกันได้ตามระดับของลัศมีพวกเรารัศมีเอะเยอะกว่า เ, เทวดา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 ของเราจะเห็นว่ามีตัวเราสึกหมั้นพูดซื่อๆไม่มีปัญญานะพูดตรงๆคือยังไม่มีปัญญาถ้าเป็นพระโสดาบันจะมีปัญญาเล็กน้อยคือเห็นความจริงแล้วตัวเราไม่มีพอนะได้พระสกทาคานะถ้ามีศีลบริบูรณ์มีสมาธิปั่นกลางมีปัญญาเล็กน้อยสมาธิปานกลางหมายถึงเนืใจมันจะตั้งมั่นนะตั้งมั่นไม่แฉล็บซ้ายแฉล็บขวา ใจของพวกเรารู้สึกไม่ฉลับตลอดเวลาั บ, บ, บ, บ, บ, บ, บ, บ, บตลอดเวลาใจเราไม่มีคำว่าตั้งมั่นทําสมาธินั่นก็ตั้งขึ้นมาได้ด้วยการเพยงเอาไว้แต่ที่จะตั้งด้วยตัวเองมันไม่ตั้งมันฉลับตลอดเวลากระทั่งพระโสดาอย่างฉลปบเลยพระสกทาคาเนี่ใจมีสมาธิปั่นกลางหมายถึงว่ามันตั้งมั่นอยู่ได้โดยที่ไม่ได้บังคับไม่ได้ประคองเนย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 ที่พวกเราทําอยู่ทุกวันนี้นะเรียกว่าเบื้องต้นแห่งมรรคยังไม่ใช่ตัวมรรคเบื้องต้นของมรรคหรือบุพเพผ า, ามกมรรคมรรคในส่วนเบื้องต้นคือการที่หัดเจริญสติรู้กายรู้ใจไปนะอาศัยการหัดรู้กายรู้ใจเนี่ยก็จะค่อยๆเกิดศีลสมาธิปัญญานะแก่รอบขึ้นเป็นลําดับลําดับไปจนะสุดท้ายเนี่ยจะแจ้งเลยขันห้าทั้งหมดเป็นตัวทุกขขันห้าตัวสุดท้ายนะที่ใจยอมรับว่าเป็นตัวทุกข์ก็คือตัวจิต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 เลื่อนจิตใจของเราแสบสายวิ่งซ้ายวิ่งขวาตลอดเวลาวิ่งร่อนเร่ไปเร่เรามีสติรู้ทันนะใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาหรือไปกำหนดนะมีสติไปจับอยู่ในอารมณ์ ม, ม, ม, ม, มันเดียวที่มีความสุขเวลามีจิตไปจับมีสติไปจับอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขจิตมันจะสงบจิตของเราปกตินะร่อนเร่ตลอดเวล า, นน า, นน า, นาหนีไปหนีมาหนีไปหนีมาเรื่อยทําไมมันหนีได้มันถูก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 มันจะเริ่มเห็นแล้วขนาดนี้กันอกอันหนึ่งเนียมันเริ่มไม่เหมือนกันมันจะเริ่มเห็นสภาวะนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยอย่างร่างกายนะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะแมันก็เปลี่ยนหายใจออกหายใจเข้านี่มันเปลี่ยนนะจิตก็เหมือนกันจิตนก็ขยับปั๊บปั๊มันเปลี่ยนไปเรื่อยอย่างความโกรธเกิดขึ้นนะเห็นพุ่งขึ้นมาป๊บ๊ถึงหน้าแล้ว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 ตอนนั้นอยู่ในงานศพหลวงปู่ดุลเจนมหาบัวไปงานศพหลวงปู่ดุลพอถึงเวลาหนึ่งทุ่มตรงท่านก็ขึ้นไปเทศคนเยอะเลยนะคนเยอะมีข้างล่างก็เจียวจ้าวไปหมดเลยพระก็ประกาศไมโครโฟนหลวงตาจะเทศแล้วงี้หลวงตาจะเทศเดี๋ยวนี้ยังพูดมากอีกเ <c oughs> <c oughs> งียบเ <c oughs> งียบให้เ <c oughs> งียบเ <c oughs> งียบพอเงียบไปหมดแล้วโดนท่านวักแล้ววัดเงียบเล <c oughs> ยนะ ท่านก็เริ่มเทศก่อนจะเทศท่านก็นิ่งนินิดหนึ่ ง, ง, งแล้วก็ดูท่านนิ่งๆทําทำสมาธิพอท่านเริ่มเทศนะสองสามคนะโอ้ช่างภาพทักยี่สิบคนได้ลุกขึ้นปับป๊บปๆนะท่านก็หยุดช่างภาพก็ภูมิใจถ่ายใหญ่ อ, อหลวงตาหยุดเทศเพื่อให้เราถ่ายรูปนะ <c oughs> <c oughs> อา้าวแล้วถ่ายรูปพอสมควร อ, อ้าวพอพๆพนั่งท่านเริ่มเทศใหม่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 ทำไมท่านเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆคือครูบาอาจารย์<ม>กรรมฐานเนี่ยท่านสอนธรรมะมนะธรรมะมันถ่ายทอดขึ้นมาแต่ทอดขึ้นจากจิตอย่างถ้าคนฟังเนี่ยจิตประณีตนะธรรมะที่ออกมาจะประณีตคนฟังที่จิตหยาบนะธรรมะที่ออกมาวันนั้นก็จะห ย, ยาบหยาบคนฟังไม่สนใจธรรมะนะธรรมะจะไม่ออกมาถ้าฝืนแสดงนี่นะคนแสดงจะเหนื่อยสุดใจขาดดิ้นเลยน จะฝืนพวกวิทยากรกเคยรู้สึกไหมสอนไอ้คนนี้มันหัวดื้อมันต่อต้านมากเลยนะสอนแล้วเหนื่อยบางคนเขาอยากเรียน<ม>อยากรู้จริงๆใจอ่อนต่อธรรมะนั้นธรรมะไหลออกมาเองไม่เหนื่อยนี่ธรรมะนะมันแสดงออกมาเองธรรมะออกมาจากใจนะงั้นหลวงพ่อถึงบอกว่าเอออย่าไปถ่ายรูปนะกล้องเครื<ม>่องอะไรวィィีดีโอวีดีโออะไรไม่นะถ้าจะตั้งวィィีดีโอไปตั้งที่อื่นนะ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 <G ül> ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปเทศในวันดาวพฤหึงนะเทศสามเดือนนะอะนะเราก็ตายพอดีเลยทเทศสามสิบชั่วโมงนะคงจะให้เทศวันหนึ่งสักห7ดชั่วโมงอะไรเงี้ยเนะทศให้ใครฟังเทศให้กล้องฟังเนะทศให้กล้องฟังเราต้องเทศเรื่องอะไรเรื่องไม่คิดไม่เลกไม่ปรุงไม่แตกนะไม่รู้สึกไม่รับรู้นะเออ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 ทำความสงบเข้ามาแล้วไปพิจารณากายไปรู้กายรู้เวทนาพวกหนึ่งใช้ปัญญานําสมาธนะิคือดูเข้าไปเลยดูจิตเข้าไปเลยนะพวกหนึ่งใช้สมาธิและปัญญาควบกันอนะันนี้สําหรับคนที่ชํานาญนะทําสมาธิอยู่นะแล้วก็ไปดูความเกิดดับอยู่ภายในเห็นองชานทั้งหลายเกิดดับเกิดดับอยู่ข้างในนะอันนั้นถ้าเราทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนั่นมันมีทั้งหลายแนวทาง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 นะที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้นะใจก็สงบใจก็ตั้งมัน่นเพียงแต่ตอนนี้ประคองไวน้นิดหน่อนยะมีอไหมใครอยู่วัดวันนี้มีคนเดียวหรือก้าส่งกันบ้านไหมไม่ไปครับหลวงพ่ อ, เ, อเห็นจิตมันไหลไปคิดได้เร็วขึ้นมั้งครับดีสิ<ม>เห็นไหม่ไหลทั้งวันแป๊บแป๊บ